ทราบแต่ว่าหนีสำเร็จแล้วสบายแต่เป็นความสบายที่ต้องแลกด้วยศักดิ์ศรีและความนับถือตัวเองไม่ต่างจากทหารหนีทัพแม้ล อ, อยตัวเหนือความลำบากสาหัสในสมรภูมิสาเร็จก็มองเงาตัวเองในกระจกได้ไม่เต็มตานักนอกจากการได้รู้จักความเป็นมาของตนเองดีขึ้นนิดนึง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 อีกปีกว่ า, วาจะเอน r ร n c e เข้าคณะอะไรได้การตอบตัวเองไม่ถูกทำให้ผมค่อยค่อยหดหูและซึมเศร้าลงทุกทีนึกเกลียดอนาคตแต่ก็เหมือนถูกเงื่อนไขต่างๆบีบบังคับให้ผูกใจไว้กับอนาคตไม่เลิก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 บทความโดยดังตรินจากนิตยสาราธรรมะใกล้ตัวฉบับที่65เสียงอ่านโดยโชโช